ขอคา ร, ะะ ร, ะรวะก็แทาใรักการเจริญปกรณ์ท่ยย น, นพิศิมแม่ทีไรยาดวจากทุกคนทุ่านนีเป็นครั้งแรกที่จะมาได้มาที่ธรรมสถานของท่านพิศิษฐ์เราประเดาทราบว่าที่นี่ก็เป็น ผู้ที่ได้โจมชนมาปฏิบัติธรรมใการในเือนื่อนทั้นชาวไทยแล ะ, ะชาวตางชาติาส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงะซึ่งเป็นผู้ได้ยีือที่ว่ามีสถานที่สำหรับผู้หญิงอุบาสิกาเพื่อปฏิบัติธรรม แล้วก็เลยทำให้ผู้หญิง เ, งเป็นผู้นำเป็นผู้บจ า, ารา์เพราะว่ า, า ก, การกระาำของตัวเป็นสมบัติของคนทุกเพศทุกไปไม่ใช่เฉพาะคราสแต่ว่าเป็นสมบัติของโยงด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ ของผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงก็มีการปฏิบัติธรรมบ่อยครั้งจะเลือกใส่เสื่อตามประเภทเก็ได้นะว่าผู้หญิงก็ทําหน้าที่เป็นแค่ถวายทานมาทําจังหว ม, มาถวายพระก็คิอว่าการปฏิบัติธรรมของผู้หญิงก็มีเยอะเรามีแต่ที่ที่ได้แ ควรจะทำมากกว่านี้และควรจะมีโอกาสที่จะได้ทำภาวนาก้รก็เดยนภาวนาเพราะว่าตาก็ดูสูงก็ดีมีมีประโยตนั้นแต่ว่าก็อย่ามองหน้าตาใจอะไรี้ยาวาอนี Amen. Uh -huh. และนั่นเป็นัวา้ मैं क्या कर रहा हूँ สำนาได้แลการทำายาอนแสดงโดยไม่สิ้่ใจเราจะค Amen. การสุนทปาเลยแต่เวลาวเราก็ทบุญเราก็อาได้สนลายก็ได้มสุนทรภัณแต่ทำไมมีความสุขเพราะคุณป้าก็เพื่อจะได้สุนัเสียสุนทวก็อวาเุนณจะเพื่ีวัลกตืมาก้กาก เพื่อจะมาเล่นสนามลูนหายํปแหนะตามาจุดตึ้งหลังจุึ้งก็รอลูน่าไปลงมาเข้าลงลถ้าลลูนาก็ช็อกเทีที่ได้10ลานท่านจะเห็นได้ว่าคนลาวไม่ได้ช แต่ถ้าให้มองให้เป็นกดบางคนงที่ว่าที่เราบพดเราร้อสยงดังที่จไม่ใช่นะแดดล้อเสงดใจเราสงบก็ได้ใจก็าเป็นเยนไม่ได้แถ้าเรา ในเรียองมันมีการเล่าว่าวันนั้นเป็นบ่ายวันเสาร์ันอยู่จะก็รังของที่บ้านตอนบ่ายอาการรอนหมดจนกระทั่งต้องไปต้องสวมแ่็กาะดับเตได้10ล้อ แ ต, ติตัวก็ได้สียงบุรุกไปชนีแดงามาได้ยนีดงเนี่ยเพราไม่อยากออกมารับตัหต่อก็ไปรับจดหมายด้วยใจใจก็แอกไปบุรุกไปนเนี่ยรู้ว่าตัวหนุ่ว่าเพาเปิดแชรเสียงันมีรถต่อข้างในจะเลยรอ รท <nek> ี่ก็รอแบบอก็รอเดียวสุดท้ายลาตรออกมานอกมรับะจุอย่างก็ไม่ไะสุดนพอรับประจุไเสร็จก็ผู้ตรวจก็่ว่าแต่รอดแต่ไม่ไ้ท่จหรอดอีเพื่อการเน แล้วก็พูดว่ารบกอรแต่ข้าใจเย็นก็ยืนครับผมน้องไมใ้ใจเย็นว่าแล้วแต่ก็ไปสมงกฎหมายที jetzt, mm ่บ hmm. ้านัคนนึงก yeah. so ็รองเรีนแต่ยูงมีอีกคนต่างแก่แต่ว่ามึงลองดูลองกูนะทำไม เราต้ร okay, ูักความใจรู้จักต่อเสีแต่เราไม่ได้่ใจเรารู้การอย่างที่ทให้ใจนแต่ที่าจารอย่างนึงที่เว่าในเราอรมณ์ึเนี่ยอย่าไปโทษดดอย่าไปโทษสภาากมันเป็นรใจเราราวางไวให้ถูก เรีนเสดาเรีนเสงด้มีแ้เราก็รเส้วก็มั่อยู่ที่ไม่ใช่แต่ใจเราไม่แไปจดก่อที่เสียงน้เราไม่รับเสนแต่ทำไมใจจก่ที่เสนถ้าเราไม่สใจ เราก็แต่เป็นห้วงใจไเปติดต่อเสัแล้วไม่ติต่อาไปเพื่อออกแง่คิางก็ใสเสียงรัพารอลาข้างนอกเสียมตอร์เงเที่ไพเราะแต่ แต่าเราวางใจให้ผมสูงเาเป็นรถสูงนะไม่ดีไม่ชอบใจี่จะติดต่อทสมันคกลาบเียะรีเนี่ยไม่ชอบกับป เวลาดินแหยดมัถูกตอกดกมันทำยังไงิงมันแหยมันไม่กลับไปเลยกเอาดินแหยดไปนแลยดับหินพูจับก้อนหินปูับเปลืไม้จับก้อนไม้เพื่อกะหิยายไปมันพูเสร็จมารมันไม่ชอบแต่ที่เหโดรอดเสร็จก็จะ ใ็้ิงเลือดปุ๊บปุ๊บหูดูดูเจาภาเลือดหลเลือดไหลเลดเตเานนเเลือดหลอกเห็นได้บงถามว่ามีมีแผเลือดหล้าง ถ้ตอว่ากติกาผิดใช่กติกามัรมีแผลมันไม่ใช่หลัมันไม่สะดวกแต่เรีนมีแผลเป็นเรื่อความผิดกติกาจริงแ้วจิงใกติกาไม่ทำให้เป็นเรื่องดัดแปลงกฎม่ดเลเสียก็ไม่เสนร แต่ก็ความไม่ชอบสีมันให้เราหุบหงิเป็นทู้ขนี่เรื่องราวสมัยอุษาที่วัทเอร์ตบตัวตรท่านไปแสดงรำที่แย่เกิดเรื่องสศรษฐีที่แล้วตอนนั้นโยก็โย่ชาวกด็กก็มีมเดลทีักผิวที่การอินบอลบอีในี่มาชื่อที่มาทันสมัย ี่หารก็เป็นตดัวปรานเรียกว่ า, วาลูกหาเป็น่เพราะว่าการงานบางอางได้แค่ตัวเองทรงท่าพิหาเป็นแบบมันเป็น่ บ, บาตอกอีเล็กก็ยส่อเสาไก็มีารได้เห็นเป็นรองเดเป็นช่วงเวลาที่้ชายทีหาท้าได้เห็นได้สมอสุสที มีเย็นบริาีสสาีอยู่เสียงก็ดังมากทรสาีเ็นเลย่า้าสงบของต้นใหญ่ตึ้งอพสนีาก็มาหาเออง นั่งสมาธิเพ่ออะรขอโทษที่เสียลากาัสมาธิแล้วก็ชาติทนีว่าเราที่ะเสียตัวเราาที่จิงเราเป็นาเรจะองนเสัเข้าใจที่โยนหรานโยู้จโยลก็ เรื่อทำไมเวลาเปากระทบกระสือถึงถูกทำไมใจกรทบรสืเพราวพไม่อบสูงนะอันนี้เป็นเ้ว่อองการฝึ่องวางใจให้แตกเราไม่ไ้เกเสียงรด้กาเาเราไม่ไ้พคนมา มงคนดูดาวว่ามันมีมีเพื่อจะมาโรโมทตอนนี้ก็มีชื่อขอับถึงชวนชื่อัวนจำใจตอนนี้กลเป็นเป็นไบบอดลแดดยามเฉลิมจัรอยู่ยเลยเล่นได้กับธรรมช า, าติูกผักดินเองแต่ว่าเขาม่ได้เหมืนีซแสอยากเโ็ เนคนอื่แต่ก็ไปสมัครทำงานในสินเชืแต่ก็ไม่มปนความรู้มาก็เลยได้จ่แค่การเป็นรางาความสมาแต่ลว็เหว่าจะได้หวหน้าที่อยู่แต่้าที่บก็เจอคนแบี้ไ้าร์ดายได้เงิ วันนึนี่ยแม่บ้านให้โจไปทำทางสามีลูกบิดแต่ให้พักก็ให้รักโซ่รักโซ่กันยันจะรักษาความอยแก่ก็ขากส่วนแม่บานคคุมคุมอยู่คาดเกินปร์เซ็นตได้ผู้จัดการผู้จัดการอะไร พฤติการทีว่าไอ้ฟอรนี่รโซได้รากว่ากบ้าซ้ติจนางดโาจนน่น้ก็ำให้ดนทแต่พพกรด่าแปว่าแซตมถ้าเป็นคโแต่จนรู้เ็งไง แกก็ยิ้มแล้วก็ร enfin ับขอโทษครับแล้วก็บอกขอบคุณด้ครับขอบคุณด้ขอบคุณที่ตักเตือนแต่นั้นนเวลาการเดินเล่บ้านหลานแกก็จะเป็นอย่นี้แล้วก็บอกขอโทษครับขอบคุณครับทำนี้เดืน่านไปคนก็ถามกัว่า เั้งในบ้านและทั้โกให้เขาโผล่ส่องแต่จนก็เราทำอต่อๆวันในบ้านก็แนี้นี่คำถามที่สงสัยเย้ะจนเวลาชันดาฉันอะไรธยกมืไว้นั้นก็ขอบคุณด้วยจนก็บอกว่าผมยกมือขอบคุณก็เพราะว่าเวลาในบ้าน ถาผมกลับมาดีใจตัวเอหลายครั้งผมก็มเลกะไรเยแต่ก็ที่ว่าได้บ้านก็มันชอบใจผมก็ไม่ว่าถ้ากลับมาดีใจตัวเอแล้วก็สับสนที่ได้บ้านไม่แบบ้านได้สาวได้ของดีใจตัวเอนับจากนั้นไนดะ้แบบ้านก็เลยขาตโจแช้ไใค แครใจ่างโจต้อ ง, งดา่งดาก็ได้ไไให้โจรใโจนไม่เคยตอบโต้มีงจะพูด่าอยู่ไยนเลยเป็นฟุกเพราะูก ด, ดาแต่ไม่ใช่ถูกดาแล้วไม่ม้นหยาอะเพราะว่จัใจทด่จัวางใจไปเนราเดนี้เนี่ย วางใจให้ถูแล้วก็ชอบทิศคุ้างทิ่ปุ้แต่งก็เลยเล่ไนไายมีคนมีก็เลยฟังทุ่งระกับอาตมาที่วัดแต่คนชอบเล่นเฟสบุ๊คเดี๋ น, นี้คนเล่นเฟสกันทั่วประเทศเลยไม่รู้แีจะรับ้าเาเวลาแต่เพสครอบครัวโพสูพ์ุบา ชอบฟัอองก็ชอบฟังมากๆไดมีคนกดไลค์กดไลค์แต่ว่าชอบแกก็ดีใจแต่บางครั้โพสต์อความขึ้นไปคนด like, กดไลค์น้อยจะทุกข์เลยนะจะสงสัยทำมเาจะกดไ like, ลค์นนึกเคยกดนะคนที่เคยบอกว่าชอบแต่อนนี้ไม่ชอบนะแกคิดเอได้ว่า ไอ้ทองไม่พอใจเรารือเปลาโกรธเราหรือเปล่าที่แต่ที่มีไงพูดเลยนะถ้าเราไม่ร้อนใส่กจรจะพยายามไปเรี่อยๆเปลียนคถามเขาไปเปลี่ยนเราเพื่จะชื่อว่าเขาไม่พอใจอะไรอเปล่าาโกรธเรารือเปล่เราทาอะไรไม่ถูใจเขาไหแล้วคนที่ไม่พอใจกันไม่ใช่แค่คนสคนนะมีมีห้าสิบคนร้แล้วถ้าไปตามามคนแว กเป็นการทอะไรสารที่ไปตามได้ก็ัแต่ว่าใช้ในเฟซบุ๊กคนนี้แต่แค่ได้คยกันก็ไม่ใช่ตู้ปลานุนาว่น้องมีคนชมต้อไม่กดไลค์รูกเพื่อนมันไม่เเพื่อนกันอยู่น้อไม่กดต่อเพื่อนไกดไล์แ้จะไปถามไปบอกเพื่อนไปบอกออลช่วยกดไลค์หน่อยช่วยกดไลค์น่อย เดี่ย น, น, น, นี้ราต้อบตามต้อสมัยนี้เพราะว่าไปหวังความสุขจนเ ส, สิอแค่นั้ น, นพอคุงแต่งุณแต่งว่าถ้าเกดไม่สนใจเราเขาไม่ชอาเราเขาไม่พอใจเราเราต้องุงแต่งว่าเวลาเราไปทำงามีเพื่อนสองคนการคงคกันกริบกระสาบก เขาก็เห็นเราเขาเลิกเลยห็นแต่ีเราซืเราไม่สบายใจเขาม่มาเลยนะอที่แบบนี้มาทั้งว่ามีความสุขนมันจ็มทางเขาคุยแังที่เขไม่ให้เได้ยนก็อาจจะยเป็นคนที่สาคนที่สาคนที่สก็ไม่็นทางเลยแต่เราก็คิดคุยแสงก็ไมมีทางทุกเลย งีเยอนนจรื่ๆทุกข์ก็ามทุกข์ทุกข์ก็ปแต่งทุกข์ก็วางแต่ปู่แต่และถ้าเราปล่อยให้หมดความทุกข์หรือว่ารวามปแต่งไี่ไม่ข้องกับจิตใจะรู้มีความสุข แล้วเราจะทำยังไงตอบคือต้องต้องหัูทันททัพอมันเรื่มตงแตงแน่ก็รู้ทันพอมันเริ่มขึ้นลงคล้ายๆก็รู้ทันใจกระเพื่อมเขวอุปนิสัยอุปนิ่า ต่อว่าเราราลุกข้นเราจะห้ามโตไม่ให้ต่าว่ากันก็าม่ได้เราจะตะพัดรถลูกคนเราตรอไล่ให้เราวลาจทำไมได้เราจะมา ท, ทำไมไแะะม่แต่ทีไม่รอ้องไม่มีเสียงดังมารบตัวสลับส่วนหรือว่าสมาธิหรือว่าส่วที่เร า, าทําไม่ได้ต่อห้ามโต้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือรู้ทันใจรู้ทันความคิดเวลาใจเครื่อ ง, งตกลุกทันเวลาที่ตกใจจะรู้ทันและทำไมจะรู้ทันได้ก็ต้องฝึกสติฝึกสติเ น, นเวลาใ จ, จเรื่องเครื่องจรู้ทัมเวลาใจที่ตกตกลงจะรู้ทรู้ระหว่างๆๆๆๆๆ ทุกวันนี้เรารู้เราเราู้ใคไ ร, ไ ร, ครื่อเนเรารู้ว่าคนสูบแต่แ่เพื่อนเราที่กำลังอยู่ที่อเมริกากำลังทำาะเรารู้ไปาย่ท่เราราูารา้แต่ใกล้แสงใกล้ ใ, ใจเราเรากลับไม่รู้ไม่ได้ทานใจ และพ่อเ่าวากษ์วิจารณ์ว่าใเราตึงตึงแต่งเราตึงเครียดเราชุบนตกความกดเวลาทำงานก็เครียดคนนี้ทำงานก็เครียดมากจริงๆแล้วเวลาเครียดทำานภาระงานจริงก็ไม่หนักเท่าไรแต่เป็นเพราเราไปชุบข้ามชั่วไปชุบลงงานา เมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะสร็จอีกต้องมาตรวจสอบหรือจคิดตรุงแต่งว่าถ็เกิดเสร็จแล้วแล้วมันไมได้ตามเ้าจะทยังไงเจ้าไหนจะว่าอย่างไรพอเชื่อไปแล้วมูหรือบางทีที่ทำอู่บางทีจะเหยังไงห้ากชิ้นยังไม่ได้ทำยังไงหลายช้นกอ พิ่นี้ก็อเหลายคนจ้ก็เทียบทีการว่งทางข้างหน้าแต่เทียบกับความคมันไปมันไปไกลมันปูแต่งไปไกลหรือว่าจะอยู่ับต้คนเทียก็หลายเถ้าอาจารย์มาอกี่ยวับาเวลาลก้มใจที่แตไกลดึงต เหมือนจะเวลาเราเาข้าาสมมติเราเดินทางจากอัดใจเทถึงญาตมิตก็องคิไปแล้วโอ้โหเมื่อไรจะถึงนมันพอที่มันไม่หนักใจเวลาเดินทางก็เต้องเกิดจะถึงเมื่อไรจะถึงนมันเหนื่อยครับรถก็เหนื่อย แต่วางคั้ว่าทำงานก็จะเหนื่อเหนื่อยใจเราเพ่งแต่ใจกี่ก็ไ่งอยู่ตรงไหนใจอยางนั้นอยู่สมคอนใจก็กัวอยู่สมคอนใจใหอยู่สมคอเวลาทางานวันนี่วันพุธสมมติว่าเรางานวันพุรก็อยู่กับวันพุธวเพ่ไปถึงงานอะไร อยือไปนัดถึงงานวันพหัสตามเที่ก็น้อยเลยมีนับเป็นเานหนึ่งนะรกรสเอีป็นนับเปนเขาผ่านยอดเาาสมุทริ์ในโลกมา้วก็คุยก็นสุทรศิ์ที่ที่มันละล่วงข้ปนสโลก แกมีประสบการณ์การตีเขาที่ช่ำชอมาจะบอกว่าทุกอย่างดูน้ากสัวกาความเป็เสมอเมื่อบอกไปที่กลหลังคร์จะไปไปไปตีเขาในตางที่ยอดเที่ดูน้ากลัวมากและแกจะสิ้นท้ออีกนเดินไปเหนือยเขามองไปข้างหน้าเห็ทางอันตรายแกจะพกว่ามีการตีเขาที่ ที่ช่วยได้ศิลปะการีนขที่ดีอว่าลืมยอดเขาสนใจเพื่อนใกล้กับเแล้วเดไปเจ้าวสูงข้าวเวลาปีนเขาอย่าลืมยอดเขาสนใจแต่เพืนที่เรากล้ัเดียนแล้วก็เดินไปเจ้าวบูงข้าวหมายว่าแห้งเท้เวลาทานะไอดมเมื่อไรก็จะเสร็จอย่าเพ่ไม่สนใจ ใส่ใจกับประตุบันทำประตุบานดีสมมุติวันนี้เป็นวันจันทร์นะเราก็ใส่ใจเวลาจะทำกลางเช้าส่วนงานกลางบันาได้ก่อนเดี๋ยวพึ่งออกมาคิ้นงานกางวนทุกมันจะมีตีชิ้ก็วางไว้นเดี๋ยวามาทิ้งเขาียบจำนวเรียกว่าจิไหลอยู่างใจอยู่กับปับัน กาทาเนือต้องมีสติแล้วก็ใจตื่นขึ้ขณะตื่นนอมันจะเผื่อไปขณะตื่นนอนแล้วพอไปขณาตื่นนแล้วก็หองแล้วก็เครียแล้วก็ตต้องรู้ทันดึงจิตกักมายูกับปัจจุบันสติมันช่วยทาให้ใจปัจจุบันช่วยขาให้ใจเป็นตัวรับเลืเวลาใจกระเพื่อมก็รู้ทันทันหวัา เวลาโกรดรู้ทันตัวเวลาโกรธก็ไม่ต้ไปกดทันนะไม่ว่าจะกดเ่งไต่างๆจะกด่ันมันวิธีดีกว่านั่นคือรู้ทันเพื่อทีคนถามดลรว่าคุนก็ดูนี่แ่ม่เสร็จในกลวันมันคนก็ช่วยได้บ้านครับคนถามก็ดูว่า ทำไมจะตัคขาได้ท่านบอกว่าไม่มีกรตทขาดมีแต่รันรู้ทันมันก็ดับเงหายไปไอ้ความฟุ้งซ่านองน้นก็เป็นความฟุ้งซ่านที่เกิดระหว่างาการปฏิบัติธรรมไม่องไปกดข่มแค่รู้ันรู้แล้วมันจะวางไงมันจะดับไปเอง แต่ถคาได้ยนเนี่ยรู้ทันความที่กว่าที่เรจะโกรธนะเพระเราโกรธนี่เพ้ามันคิดใช่เราคิดโนที่ด่าว่าเราเราก็เลยโกรธก่อนที่จะโกรธมันชื่อฟังหรือไม่ต้องก็วางใจผ แต่พอเราคิดกกเรารู้ปักตัวมันก็ไม่โกรธหรือโกรธขึ้นโกรธเกิดขึ้นเราไปทุกมันก็ว่าพบงที่เราไม่ใช่เหตุความคิดแต่มันเปสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเกิดขึ้นต่อหน้าบางอย่างเราโกรธสิโกรธก็ไปยึกถึงสิ่งผ่านไปแล้วแต่บางครั้งเราคิดว่มันมีสิ่งที่มานกระทบเราต่อหน้า แต่ถ้าระวังใจเองนะมันจะทบกขยังไงใจก็ไม่โกรธใจก็ไม่โหยใจก็ไม่เป็นทุกข์เพราะระวังใจเอ ม, ม, ม, มีเรื่องเล่าว่าสมัยสักสิเปีก่อนหลงปูบุตรดาพันธุ์ดาราเมื่อมาชันเพลที่กรุงเทพ ท, ท่านก็เดินไปซึมบุรีันกรุงเทพหลา ย, ยั่วโมงชันเเสร็จโยก กลับว่าโยมบอกว่าให้ท่านพักก่อนเพราะว่าจากเพื่อนไปสิงคโปร์มันไกสมัยนั้นทางก็ไม่ได้ดีก็ลับพาก็จัดเข้าห้พักมีลูกศิษย์สี่ห้าคนมานั่งเป็นเพื่อนลูกศิษย์เรลาจะไปจะไปซิการ์จำเลย พ่อหลวงก็สูดเป็นเป็นร้านําเป็นร้านชำเจ้าของอ้นจีนเอามาสื้อคนที่สมัยกาอนจะเสียงเที่ยวเียวไม้สมัยก่อนเราเข้ายาทับมาสองรี้นะบายมาทำเสือกเที่ยวม้เวลาสืกเี่าวไม้ยัไงที่สียงตาเดีวก็เวาที่มันใหญ่แสงตาเพิ่มมาที่ห้องสูดยาจอมพัด รู้สึกได้ดีก็ต้องใจมีคนอยวพูอกับเว่าเดินเสร็จต่างใจไม่เกรงใจกันเลยน้องปูช่างหนุ่มเอนหลังอยู่ที่ข้างไม่หลับนพอได้ยินเสียงกัะผู้เปิดขึ้นเบาๆเขาจะเขาอย่างดเราหยไปลองเที่ยงกันเลยเสียงเนี่ยเสียงเจเป็นปัญหาปาญหาะ นม่ไม่เ ส, สีเยแ่เราะลองเตรียมอะไรนะนี่เรียกว่าหูหารเรื่องเาอะไรเพราะใจไมสติถ้าใจมีสตินี่มันจะมเจแในเมื่อมัเกิดจสนมันจะมีความความต้มางไรแต่ธรรมดาถึงกระนันก็ ไปปักไปจ่อที่สียที่เแล้วมีสติร่วมานอีกคับมาจริงๆแล้วอาบนี้มีใครทำ้าทุใจได้นอกจากใจที่วางรู้สึหรือเพื่อความง่ายมีคนทำให้เราทุกข์ใจได้ก็ากัวเราเองเวลยมทุกข์ใจนะให้เรา่อสมานุนนะว่าเราไม่ทุกใจเพราะคนใดคนนี้แต่เราทุกใจเพะ วางัจให้ถูกคิดไม่เป็ น, มป น, นแม้แต่เจ็บปว่วยนะแม้แต่เจ็บปว่วยเนี่ยความเจ็บป่วยมัมนทำให้เราทุกข์ใจใจกนาดใจขนัดแต่ความเจ็บปว่วยไม่เคยทำให้เราทุกใจ เพื่อนคนหนงนะที่จก็เป็นเป็นเพื่อนป็นน้องเป็นพี่หนจะเป็นมเรยนตอนที้เป็นมาเรีก็ัสาวะเกิดจทุกมากนะเลยเพราะมันเป็นเยนที่มันไม่ได้เกิดที่แบบคนอายสามสิบมันเกิดทื่นบบคนแก่ แต่ดังไปเจอด้แค่สามต้นตต้นโตตัวยห่ตัวดีแต่ผ่านไปประาหนึ่งปีจะมาปิบัติธรรมใจก็เฉื่อยเฉมบกูรโรคอันรายนากลักับใจสฉมบกูรมาเลยทว่าญาติมับอกว่ามาเลย์ไม่ได้ทำให้เราไดิหาความทุกขใจกัน มาแรงไม่ใช mm ่แม้รอยยิ้มเป็นหลไปความรู้ใจนและความรู้ใจมันเป็นข้ออะไรเป็นข้อใยอมครับไม่ยอรับคําคุณไม่ยอรับไมยมรับเลยที่เจอทุกเยน่านเข้ามาเนยเพราะว่าไม่ยอมัเหมือนกับลีเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เกากรักกับดแต่เพราะไม่ชอบกับตุ ประสรดยทัวาสรุปว่าความคิดบางครั้ก็โหดร้ายแต่การที่รัความคิดโหดร้ายกว่าใจที่ไม่รับความคิดใจที่ปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้ตกใจไม่ใช่เพราะเมลเมลทำให้แกล้ตใจแต่ให้ทให้ตกใจ แต่ทุกใจใครก็ไม่ยอมรับความจริงหลายคนใช้โค้ดมะเร็ง่าทำให้จิตใจเบาเทียวทำให้หมดจิตใจ้สียจิตไม่จริงนะมะเล็งมันแค่แตบร่างทำให้ร่างกายแงแล้วก็ติตัวแต่มันไม่ทำให้หมดจิตใจเสียิตไม่ทำให้คอแย่ไม่ทำให้หมดหูไม่ทำให้เยนหรือดี ใส่ขนาดคนนี้นั่นเลยทำให้เรายดไหล่ไปจ็ดใจทีม่มยารับพามเปหลักที่มันทำให้เราหมด อ, อะไรไปอย่งีวทั้งก็ใจที่ไม่ถูต้องนะมนเล่นอะไรกไม่หายาอะไรก็ยังีในร่า ง, างากายเราแต่ว่าเราสามารถกินได้จิตใจที่ซึ้งหมบม้ป เพราะรู้จักรักษาใจรางใจให้แข็และถ้าหากว่าเราเข้าใจนนีนะ้และจะมาทำร้ายมันมันก็ตุกแตการใจให้ทิ้งมีพระชาติเสด็จตรงนไหม ถูกจําคุกโดยทหารจีนคือเมื่อหกสิบปีที่แล้วจีนก็เยจับกลองกุฎแล้วเขาก็จับกุมุ่มฐรักแลไทสีที่ไม่เป็นรนัฐบาลนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ควรจะเริกเลิกรับถรยเลิศาสนาแต่ว่า ฆาตที่เดิาลูก็อยอปฏิบัติกาถูก ข, งขงกกกมางท้นน ง, งที่คุณเดลีเป็นสยนยมยีปีจคถึงชรามาพอท่งโทมาเน่ยเป็นอิสระท่านก็ร้ายโดไปอนเดียชรามาเนเดียรูกกักท่านเป็นศิษย์ของท่านพอรู้ว่าท่านไปอินเดีย สัมาจารประโยชน์ที่ท่านถามท่านคจะรู้เองว่าตอนนี่ท่านตกจนะท่านกลัวอะไรมากที่สุดแท่ที่ท่านกล่าวว่าท่านตกทรมารท่านกล่าวว่าท่านกลัวว่าท่านจะโกรธไกลีดคนที่ทรมารท่านกลัวว่าท่านจะโกรธเกียดคนที่ทรมารท่าน เพราะอะไรเพราะว่าท่าปปนปวดกวดเขออ้ามาหลายไงท่านกล้าจะติดสื่อพูดร้ายหรทำร้ายและสำหรับพ่าสำหรัท่านในการติดสเนี่ยมันแยกยี่หการติดเข้าทำร้ า, าการติดคือการสร้างหาเรื่องใส่ตัวเพาทร้าะเราเป็นะปอะไรก็ไหาเรื่องส่ตัวเรไแต่ถ้าเราติดสื่อเนี่ยรอรหาเรื่องใสตัว กาิดสินทุกอย่างเนี่ยัคือการหามีใส่ตัวตั้งแต่สินก็ตัึงสินก็ตั้งห้าโดยเฉพาะอี่เห็นวปกิการี่คืว่าต้องูว่าทางจีนําร้ายแค่ได้ากานแต่ทาให้ใจเป็นทุกไม่ได้แต่ทางดที่ด้านดรวจอบเมื่อไหร่ได้ใจถ้างเป็นแค่คนชื่อทางจีนทาร้ายทำ้าย่ไา แต่ทำให้ท่าทุกใจไม่ได้แต่ไม่ได้เกิดเกลียด่อไรความทุกขใจเกิดทันที่านก็เห็ว่าเมื่อถูกทำร้ายแวก็ทำร้ายทำร้ายอักทายแล้วก็ยังใจจะทำร้ายอยู่ก็จะ่ท่านพยายามรักษาใจให้เกิดเกลีเหอาย์พยายามว่าไม่มีใครทำให้เราทุกขใจได้นอกจากตัวเราเองหรือนอกจากใจ ที่วางไว้ให้ถูกหรือว่าคิดไม่เป็นหรือไม่รู้ทางความคิถ้าเรามีสติมีความคิดรู้จักวางใจให้เป็นเจออะรก็มาคิอย่างท่านจินเบย์เนี่ยกทรมานทำร้ายร่างกายใจไม่สงบ เป็นไปเลยใจก็ไม่งานจะหนักยังไนเหนื่อยแต่กายจะไม่ทุกแต่ถ้าวางใจไม่ทุกขทงานก็เหนื่อยร่างกายเหนื่อย่างกายเมื่อไรจะเส็จเม่ไรจะเสรจทำไปวนไปซึ่งเปนการซ้าเกิมตเองทุกวันที่เราซ้ำเติมตัวเอหนักมากทางานไปเราเหนือยแต่การเหนือใจ บายทีเรา่อยเพราะเราไม่ที่ไปอเขาทงานน้อยกว่าเราเขาอู้งานเขาเขาหนีงานป่อยให้เราทเดี่ยวอันนี้เราซ้ำเติมวงี่แต่คนหน่นาสนใจเมื่อเว่าสักเกิดแต่ปีกว่าช่องใทยรัฐทีวราการงน เอาเด็กสามคนไว้กันตาแล้วมันคือก็เด็กไกลนมันก็เด็กสุดอคนามคนเอามาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็จดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรทางน้ำเรื่องะรเป็นรายการที่มีเหมาะสำหบผู้ปกครองและลูแต่ว่าเรื่องตัวนี้มีความยากหนัหน่วมีผู้มาสุดสองสุดสามสามคนกิจกรรมงานที่ทำเป็กสองตู้รถไฟรถไฟเราไม่ได้เรา ต้องเสื่อผลแต่เมืนอได้แล้วเนี่ยสมกิตรงจอหหอนักชกกับนักสมกินักชกเล่นทอบอลกิจถ่ายทอดสดเด็กสองคนเนี่ยไปก็ไ้ไปดูบหน่วยที่ร้านกาแฟขาสถานีก็ให้เด็กตื่นไหวเพื่อนเป็นเด็กผู้หญิงผลของขึ้นรไปเดีย ให้แต่เคนนี้กคนนได้ทงานกันเยที่คความเป็นไปตาว่าหนูที่เป็นไงที่เพื่อนเาอาจจดูสมติตเพราะโไม่ได้มาทำงานช่วงอนูเดกก็บอกว่าก็สนใจเขาเพกาะเาป็นการสมจิตงานเยอสมขิตเพทบหนูไม่สนใจพวกโง่หนูก็ทำงานหนูไป พิธกรที่านต่อม้หาใหญ่แลหนูไม่กวกดาว่าเขาหลกข้เป็นดเด็กตอา็ว่ารนูเป็นของที่รถไฟหนูก็เหอยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธดาว่ากูก็เหสองเด็กฉลาดนะระหว่างเยสารจเาแต่ส่วนใหญห่อยสองอย่างทำไปเป็นกระดาบยังเอร หนีนานยมันคือกบตัวเราเหนื่อยสองอย่างคือเราเหนื่อยกายและเหนยใจเด็กคนี้ฉลาดไม่สื่าแต่รู้ว่าจะเป็นเหนื่อยเลยเป็นเหนื่อกายไม่เหนอยใจก็เหมือนกับท่านคุณังถ้าจะเจ็บตัวล้าจ็เจ็บแล้วพอจะบก็คเจ็บกายหรือทุกกายใจไม่ทุกข์ถ้าเราป่วยนะให้ป่วยแั่กายกายกับป่วย เราไปเจ็บป่อเราตาองสรางเกิมตัวเองพระการปวดใจการทุกข์พระการปวดใจการทุกข์ใจมนเสียใจตัวเราเองไม่เกี่ยวกับใครถ้าจะปวยป่วยก็คือปวดใจปวดใจถ้าเดิหนื่อยน่อยเดียวคือเหนื่อยใจเหนื่ยถ้าว่าจะติดก็ให้เสียแต่เวลาแต่จะเสียอารมณ์เสียสติไปด้วย ถ้าเสียของทัางเงินหายแล้วก็เสียกับเป๋าเสียเงินใจไม่เสียแต่ส่วนใหญ่ตอให้ใจเสียรมบอกกุญใจซะไม้อสุขภาพกายใหญ่เนื่อยที่แน่นอนเล่ะวมใจมากไม่โกรธหรือไม่โ่วยแล้วเวลาทํานน้อยก็เสียแล้วมัที่เสียเรื่อยเลยนะ พระาไม่ได้เพื่อมาซ้าอกเพื่อมาซ้กระดาษเพือบาทีกระดาษทงานกระดาษทาแต่ตวนที่มาหยอกเราก็หยอกกับสต่ตอนีเราไม่อยากเยหยอกแต่เ่าเราบาดเสียเพื่อนจากเดิมเสียแค่เงินได้เดิมเสียเงินตอนหลังก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนให้เสียหลังไปทำทำเองเสียเงินด้ ว่าคือคนขโมยไปโกงไปแต่เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเรื่องทำไปนี่ี่ซ้เติมเลยเพราะอะไรเพรวังใจให้เต็มขาเพก็่ความคิดันเลยเาควรทำบุญดีนะทาบุญเนี่ยเกิดำบุญแต่ว่าใส่บาตรเาทำสังฆทานะให้รู้จักปฏิบัติทราเพื่อลทันความคุดและวางตัวให้เป็นด้วย เวลาเราปฏบัติบบุญเป็นยงไจะให้มันเห็นธรรมความคิดวางใจให้เป็นและจิตจะสงบเย็นไม่ว่ากายใจสได้เาะเาะรอา